บทภาชินี4040กรรมที่ทำถูกต้องพิกษุน์สำคัญว่าเป็นกรรมที่ทำถูกต้องไม่สลัต้องอบัตสังคาทิเศษกรรมที่ทำถูกต้องภิสูจไม่แน่ใจไม่สลักต้องอบัตสังคาทิเศษกรรมที่ทำถูกต้องภิกษุน์สำคัญว่าเป็นกรรมที่ทำไม่ถูกต้องไม่สลัต้องอบัตสังคาทิเศษกรรมที่ทำไม่ถูกต้องพิสูจน์สำคัญว่าเป็นกรรมที่ทำถูกต้องต้องอบัตทุกกฎ กรรมที่ทำไม่ถูกต้องพิสูจไม่แน่ใจต้องอาบัติทุกกฎกรรมที่ทำไม่ถูกต้องภิกษุน์สำคัญว่าเป็นกรรมที่ทำไม่ถูกต้องต้องอาบัติทุกกฎ